Thank you. ได้เคยเล่าให้ฟังบ้างแล้วนะว่าเมื่อเดือนที่แล้วได้มีโอกาสไปประเทศอินเดียแต่ว่าแทนที่จะไปจาริกบุญนะในสถานที่ที่เรียกว่าพุทธภูมินะก็คือสังเวชเชนิษานสี่แห่งก็ไปอีกเส้นทางหนึ่งนะเป็นเส้นทางที่คนฮินดู เขาิยมจาริกกันการจาริกบุญของชาวฮินดูนี่เาเรียกว่าญาตระญาตรายาตราแปลว่าเดินเพราะสมัยก่อนก็ใช้การเดินจริงๆเส้นทางจาริกนี่ก็เป็นเส้นทางที่เลียบไปตามแม่น้ำคงคาเริ่มต้นที่เมืองลูสีเกตซึ่งมีชื่อนะเพราะว่าเมื่อ40ปีที่แล้วคนะณะนักร้องดนตรีแต่ะบิเทอก็เคย ไปแสวงหาทางจิตวิญญาณที่นั่นสมัยก่อนก็คงจะร่มรื่นสงบสงัดนะแต่ทุกวันนี้ก็พลุกพล่านมากเพราะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วเป็นเมืองที่ผู้คนก็ที่อยากจะเรียนโยคะก็ต้องไปที่นั่นหรือสีเกตนะโรงเรียนสอนโยคะหรือเขาใช้ควาว่าอาสมนะแต่ว่าที่จริงก็คือตึกแถวนั่นแหละนะเวลา ได้ยินคำว่าอาสมเราก็นึกภาพว่าคล้ายๆเป็นสถานที่ที่มีอนาบริเวณมีเรือนหลังเล็กๆกระจัด ก, กระจายมีธรรมชาติที่ร่มรนะื่นแต่ที่จริงแล้วมันก็เป็นแค่ตึกนะตึกแถวด้วยสอนโยคะมีคนไปเรียนกันเยอะมากนะคนไทยก็เห็นอยู่แต่อีกสาเหตุนหนึ่งที่ฤาษีเกลนี่มีคนพลุกพรานก็พราะเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของคณะจาริกนะ ชาวฮินดูก็จาริกจะเริ่มที่เริ่มต้นที่ลูซิเกตนะซึ่งเป็นคล้ายๆเป็นเหมือนก็อยู่เชิงเขาอะนะเชิงเขาเขาที่วันนี้คือเทือกเขาหิมาลายนะแต่ว่าจะพูดว่าเชิงเขาก็ไม่ถูกเพราะว่าลูซิเกตก็มีภูเขาสูงอยู่แต่ว่าค่อยๆลดค่อยๆ ล, ลดระดับลงมาแล้วก่อนที่จะกลายเป็นพื้นราบนะพื้นราบนี่ก็เมืองฮาริทวารทาริทวานนี่ก็เป็นเมืองที่ถือว่าเป็นปากประตูสู่สวรรค์นะ เพราะว่าเป็นลอยต่อระหว่างพื้นราบกับพื้นที่สูงนะฮัลลีพระเจ้าถวานกับพรประตูะเขาเรียกเช่นนั้นก็คงเพราะว่าเนี่ยมันเป็นจุดเชื่อมต่อที่จะไปสู่ดินแดนแห่งพระเจ้าหรือสวรรค์ก็เหมือนกับที่เขาเรียกว่าโคราลุกปากช่องเนี่ยเป็นประตูสู่อีสานะเพราะว่าพื้นที่มันก็เริ่มไต่ระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆ บนเส้นทางนี้ก็ได้เห็นได้สังเกตนะคนฮินดูรวมนักคนซิกด้วยคนซิกก็จาริกกันเยอะนะเพราะว่าเส้นทางที่ไปเนี่ยมันก็มันก็ไปเป็นเส้นทางเดียวกับที่ชาวซิกเข้าไปสแสวงบุญที่ทะเลสาบที่ชื่อว่าเฮมคุนเฮมคุนซายหิบนะอยู่สูงมากนะสี่พันหร้อยเมตรหรือ4ี่พันแดร้อยเมตร กว่าจะขึ้นไปถึงนั่นได้นี่ก็หมดแรงนะเพราะว่าชันมากและอากาศก็เบาบางเวลาจะหายใจก็ต้องตั้งใจหายใจนะหายใจเข้าลึกๆหายใจยาวๆเพราะว่าออกซิเจนมันเบาบางมากแต่นั่นไม่ใช่จุดหมายของการเดินทางครั้งครั้งนี้นะเราต้องการจะไปถึงต้นน้ํำคงคา โดยเพราะที่เขาเรียกว่าโคมุกโคมุกก็คือประตูประตูหรือปากวัวนะโคก็คือวัวมุกก็คือประตูหรือปากซึ่งเกาเชื่อว่าแม่น้ำคงคาเนี่ยออกมาจากปากวัวก็คือถ้านั่นแหละนะเป็นถ้าซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่ว่าระหว่างก่อนที่ไปถึงนั่นก็ได้ได้ได้เยี่ยมเยือนสถานที่ที่คนฮินดูเข้าไปจาริกสแสวงบุญนะ เช่นเมืองพัทรินาทพัทรินาทเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสี่ของต้นน้ำคงคาที่คนฮินดูนิยมไปแล้วก็คังโคตรีนะคงกุติที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเพราะว่าเป็นเส้นทางที่จะต่อไปยังโคมุกระยะทางหางประมาณสิบแปดกิโเมตรก็ได้สังเกตนะการพิธีกรรมทางาศาสนาของชาวฮินดนะูทุกที่ก็จะมี พิธีที่ช่อว่าบูชาปูชาคือบูชาอะไรนะก็มีการบูชาด้วยดอกไม้แล้วก็ประทีปเครื่องหอมแล้วก็อาหารประเภทจำพวกถั่วนะมีขายเยอะแยะไปหมดนะเขาก็จะเอาเครื่องบูชาเนี่ยนะไปไปให้เป็นสักการะให้กับเทวรูปแต่ว่าสิ่งสำคัญที่เขาถือว่าอ่า มันศักดิ์สิทธิ์กว่าเหนือกว่าประเสริฐกว่าการบูชาก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าดาชานดาชานเนี่ยเข้าใจว่ามันมาจากคำว่าทัศ น, นะดาชานเป็นภาษาสันสกฤตก็คงจะถ้าแรลอ่านพูดให้เป็นไทยคือทัศนะก็คือการที่ได้ไปเห็นไปดูเทวรูปไปดูแบบเพื่อว่าศบตากันเลยนะ สบตากับเทวรูปอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะอ่าไปจาริกไปจาริกที่ไหนเนี่ยจะต้องนะต้องมีการทำดาชานคือไปดูไปเห็นไปสบตากับเทวรูปเพราะเขาเชื่อว่าเทวรูปเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่ศักแต่ว่าอ่าเป็นวัตถุที่ทำโดยสำลิศแต่ว่าเขาเชื่อว่ามี พระเจ้าหรือเทพพระเจ้าเนี่ยอยู่สถิตยอยู่ในเทวรูปนั่นด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าไปไปได้พิสไปได้มองไปได้เห็นไปได้สบตากับเทวรูปเนี่ยก็จะเกิดถ้าเรียกประชาชนก็คือเกิดสริมงคลหรือว่าอาจจะเป็นการทำให้บาปมันทุเลาลงหรือว่าทำให้เกิดโชกเกิดลาบเพราะนั้นเนี่ยจะต้อง นะจะต้องไปให้ได้ไปเห็นนะไปสบตานะอันนี้ก็แตกต่างจากคติแบบพุทธศาสนานะพุทธศาสนาเนี่ยนะเห็นแตกต่างกันแต่ก่อนที่อธิบายที่ก็ขยายความเสนอว่าที่คนฮินดูเนี่ยเขาเชื่อนะว่าเท ว, เทวรูปเนี่ยมีพระเจ้าสิงสถิตเนี่ยก็เพราะว่าเวลาจะก่อสร้างหรือว่าจะเวลาจะรอเทวรูปเนี่ย เขาจะทำจริงจังกันมากนะเริ่มตั้งแต่ขึ้นรูปนะเป็นขึ้นรูปนะด้วยขี้ผึ้งนะเขาก็จะมีพิธีกรรมมากมายนะคนที่คนที่หลอคนที่ทำเทวรูปเนี่ยนะจะต้องพฤติวตูเหมือนกับเป็นนักบวชเลยไม่กินเหล้าไม่กินเนื้อตลอดเวลาที่ทา หล่อเทวรูปตั้งแต่ขั้นที่เป็นขี้พึ่งนะจะต้องมีการสวดมนต์นะมีการท่องบทมนตราอย่างต่อเนื่องนะเรียกว่าจิตเนี่ยต้องนึกถึงพระเจ้าอยู่ตลอดเวลานะใช้เวลานานา น, นะจะต้องมีการทําตนเหมือนกับว่ากําลังบําเพ็ญพจน์เหมือนนักบวชไม่ว่าจะเป็นคนอที่เป็นหัวหน้าหรือว่าลูกน้อง แล้วยิงเฉพาะตอนเวลาจะเบิกเน่หรือว่าจะสลักลูกดวงตาที่กําลังเปิดเนี่ยเขาก็มึมีเวลานะตีสีถึง6กโมงเย็หโมงเช้าเพราะว่าเป็นช่วงที่สงบสงัดจะได้ไม่มีอะไรมารบกวนเทวรูปไม่มีอะไรมารบกวนเทวดาหรือเทพเจ้าที่จะมาสิงสถิตแลานพอทําเสร็จนี่เขาก็เชื่อเลยนะว่าเทพเจ้านี่มาสิงสถิตแล้วในเทวรูปนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเทวรัยเนี่ยซึ่งเป็นที่ สถิตของเป็นที่ตั้งของปฏิสถานของเทวรูปเนี่ยมันจึงเป็นที่อยู่อาศัยของเท ว, วดาหรือว่าเทพเจ้าด้วยเราก็เชื่อขนาดนั้นเลยนะว่าเทวรูปเนี่ยสาคัญนะการได้มาเห็นเทวรูปก็เหมือนกันได้มาเห็นเทพเจ้า เ, เป็นสิริมงคลอันนี้มันแตกต่างจากพุทธศาสนาพุทธศาสนาเนี่ยท่านใชายเขาไปเห็นเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่เห็นเทพ แต่ใ น, นเรื่องการเห็นธรรมนะเห็นธรรมนะแม้แต่เห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังไม่ใช่เป็นสิ่งที่ประเสริฐนะเพราะว่ากาลีเนี่ยนะเป็นคนที่ลหลงไหลในพระพุทธเจ้ามากหลงในรูปของพระพุทธองค์เดินตามเตตพระองค์ไปตลอดเวลาพระองค์ก็ถึงกับตําหนิหรือเตือนพระวักกะลีว่าเนี่ยเห็นรูปร่างของพระองค์นี่ก็ยังไม่ไ ม, ไม่สําคัญนะนะไม่ไม่เชื่อเห็นพระองค์อย่างแท้จริงนะต้องเห็นธรรมนะ ผู้ใดเห็นธรรมนะผู้นั้นเห็นเราตถาคตอันนี้เป็นคําพูดที่ตัดกับภวัคคิอันพุทธศาสนาเนี้ยเราจะให้ความสําคัญเรื่องการเห็นธรรมนะและเห็นธรรมเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยก็คือเห็นกายและใจนะไม่ใช่เห็นนอกตัวนะเห็นธรรมเนี่ยนะเบื้องต้นคือต้องมาเห็นกายกับใจเพราะกายกับใจเนี่ยเป็นของจริงและกายกับใจเนี่ยมันจะมันจะแสดงให้เห็นธรรมะนะเช่น ไตลักษ์นะความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะความเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงพุ่งาคือเห็นความไม่คงที่ไม่คงทนแล้วก็ความไม่ใช่ไม่ใช่ตนไม่ต้องเห็นที่ไหนไม่ต้องดูที่ไหนนะแม้แต่จะมาดูพระพุทธรูปนะจ้องพระพักของพระพุทธรูปก็ไม่มีความสําคัญเท่ากับการที่มาดูกายดูใจหรือเรียกง่ายว่ามามามองตนมองตนเนี่ย ถ้ามองให้เป็นเนี่ยมันก็จะเห็นกายกับใจนะไม่ใช่เห็นตัวกูนะมองตนเนี่ยมันจะทะลุนะจากสิ่งที่คิดว่าเป็นตนเป็นตัวตนเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นกายกับใจไม่มีตัวกูมีแต่กายกับใจแล้วถ้าและเมื่อดูใจไปดูกายไปเรื่อยๆนะมันก็จะเห็นไตรักนะอันนี้ก็เลยเห็นธรรมที่จริงเห็นธรรมชาติก็เห็นธรรมได้นะ เห็นธรรมชาติก็เห็นธรรมได้เพราะว่าธรรมชาตินะกับธรรมะนี่ก็อันเดียวกันฮินดูเนี่ยเวลาเห็นธรรมชาติเนี่ยก็จะเห็นเทพอย่างที่เคยเล่าเวลาเนี่ยว่าเวลาเวลาคนฮินดูเนี่ยเขาขึ้นไปยังภูเขาสูงเนี่ยโดยเฉพาะในเขตทุเขาหิมาลายเนี่ยเขาจะรู้สึกเลยว่าเขาจะเชื่อเลยว่ามันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บนนั้น พอเคยเล่าไ ว, ไว้แล้วว่าเนี่ยบนในธรรมชาติบนเทือกเขาหิมาลัยนี่มันธรรมชาติมันน่าเกรงขามมากนะไม่เหมือนธรรมชาติบ้านเราธรรมชาติบ้านเราไม่ค่อยน่าเกรงขามคือเอาตัวรอดได้อยู่รอดได้แต่ธรรมชาติบนนั้นนะมนุษย์เราเนี่ยนะจะอยู่ในภาวะที่เปราะบางมากเพราะว่าหนาวก็หนาวสูงก็สูงน้ําก็หายยากเพราะมันไม่มีต้นไม้ ไม่ต้องพูดถึงอาหารเพราะนั้นมนุษย์จะอยู่รอดได้ต้องอาศัยเมตตากรุณาของของธรรมชาติแล้วก็บภูเขาสูงที่มีหิมะหิมะปกคลุมก็ทำให้ค น, เ, นเชื่อเลยนะว่ามันมีเทวดาอยู่นะคนฮินดูเนี่ยคนแครเนี่ยเห็นธรรมชาติเนี่เห็นเทพนะแม้แต่จะเห็นเวลามองสายน้ำเนี่ยก็เห็นเจ้าแม่คงคาอยู่หรือซึ่งเป็นเทพเจ้าแต่ทางพูดเนี่ยนะท่านแนะว่าเวลาเห็น ธรรมชาติก็หเห็นธรรมดาหรือเห็นธรรมะถ้ามองธรรมชาติแล้วไม่เห็นธรรมะนี่ก็ถือว่ายังไม่ได้เห็นนะยังไม่ได้เข้าถึงแก่นของธรรมชาติอันนี้หลวงพ่อเขียนท่านก็พูดไว้นะเขียนไว้อย่างที่เราเห็นในในแผ่นไม้ที่อยู่ที่สาราหน้าเนี่ยตรงที่ตั้งตู้หมูบูชาเนี่ยทนะ่านเขียนว่าธรรมะเนี่ยมันก็คือตัวธรรมชาตินี่เองนะไม่ได้ไกลจ า, ากธรรมชาติเลยนะ คนเราเนี่ยสามารถจะบรรลุธรรมได้อาจจะบรรลุธรรมได้จากการสังเกตรธรรมชาติอันนี้เป็นความเห็นเป็นทัศนะที่แตกต่างกันระหว่งางฮินดูกับพุทธนะเวลาเขามองธรรมชาติเขาเห็นเทวดานะแต่ของเราเนี่ยมองธรรมชาติเราเห็นธรรมะนะนที่มาปฏิบัติธรรมกันในในป่านะหรือว่านิยม ส, สัพสูนย์ในพระไปหรือนักปฏิบัติธรรมไปทุ ด, ดงในป่าเนะี่ยก็เพื่อจะได้เห็นธรรม ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าธรรมชาติทําให้เรากลับมาเห็นตัวเองแล้วที่ของอินดูเนี่ยเขามีเขาเขาถือว่าเทวดาเป็นสิ่งสูงสุดนะเทวดาเป็นสิ่งสูงสุดเทพนี่สุดที่สูงสุดแล้วนะสูงกว่ามนุษย์ซะอกนะแต่ว่าพุทธมองว่าเทวดามาพรพลงก็ต้องมาเคารพนบนอภพระองค์หรือแม้แต่หรือแม้แต่พระอรหรนะันต์นะเทวดาก็ต้องมามาฟังธรรมจาก พระอรหันต์อันนี้เป็นเป็นการเรียกว่าประกาศอิสรภาพของมนุษย์เลยนะจากมนุษย์ที่ต้องอยู่ภายใต้อำนาจของเทวดาเช่นพระศิวะพระนาลายพระพรมนะคนคนอินเดียก็เชื่อแบบนั้นมนุษย์เราเนี่ยแล้วแต่ตกอยู่ในอำนาจของเทวดาสุดแท้แต่ว่าเทวดาจะบัญชาให้ช่วยเราเป็นไปอย่างไรเรือกวผมลิขิตนะผมลิขิต แต่ชาวพวกเราไม่เชื่อหลวงพ่อเลขาิการนะชาวเพื่อนะชาวพวกเราเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมก็คือว่าเราจะสุขหรือทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของเรานะไม่ใช่กรรมในอดีตด้วยซ้ํานะเป็นกรรมในปัจจุบันความเชื่อความเข้าใจว่าสุขทุกข์ของเราในปัจจุบันเป็นเพราะกรรมในชาติปางก่อนเนี่ยอันนี้พระเจ้าตัดว่าไม่ใช่เป็นคําสอนของพระองค์ไม่ใช่เป็นพุทธศาสนานะแล้วเรียกว่าเป็นลัทธินอกพุทธศาสนานะแต่ชาวผู้จํานวนมากก็เชื่อแบบนี้นะเชื่อว่า สุขทุกข์ที่เป็นอยู่ตอนนี้เนะ่ยเป็นเพราะกรรมแต่ชาติปางก่อนนะอันนี้ไม่ใช่นะสุขทุกข์ในปัจจุบันเป็นเพราะกรรมในปัจจุบันเป็นสําคัญนะกรรมในอดีตเนี่ยก็มีส่วนนะแต่ไม่ไม่มีน้ําหนักเท่ากับกรรมในปัจจุบันนะเรียกวกรรมลิขิตนะชาวพุทธเราเชื่อเรื่องกรรมลิขิตนะไม่ใช่พรหมลิขิตทีนี้ถาาว่าเราเนี่ยนะ ใช้ความเพียรในการเข้าถึงธรรมนะเราก็จะอยู่เหนือเทวดาได้แล้วก็ไม่มีความหวาดกลัวเทวดาอีกต่อไปเทวดาต่างหากที่ต้องมาเคารพนอบนอบนะผู้ที่เข้าถึงธรรมแม้แต่ขั้นระดับโสดาบันนะอย่างมรอย่างท่านอนัตถปินทิกายท่านเป็นโสดาบันนะมีค่าวนึงเทวดาที่อยู่ซุ้มประตูนะซุ้มประตูหน้าบ้านท่านเนี่ยเห็นท่านเริ่มยากจนแล้วเพราะว่าท่านเนี่ย มีนิสัยชอบให้ทานอุปถัมภ์พระสงฆ์เงินทองก็รลยหล่อไปเรื่อยๆนะเทวดาก็มาบอกอนาถปิิกาว่าให้ทานน้อยๆหน่อยนะนะไม่ต้องถวายทานกับคณะสงฆ์ก็ได้นะมาเป่าหูเพื่อว่าตัวเองเนี่ยจะได้อ่จะได้ความดีความชอบนะพรากว่านาถปิิกนี้ไล่เลยนะไล่ออกไปเลย ตอนหลังเทวดาเสียใจนะมาขอโทษอันดาธปินทิกากก็บอกว่าให้ไปไปขอโทษจากกับพระพุทธเจ้านะีอันนี้ก็เป็นคติของพุทธนะที่เชืนะ่อว่ามนุษย์เราเนี่ยสามารถจะอยู่ยเหนือเทวดาได้ถ้ามนุษย์เราเนี่ยมีธรรมะนะถ้ายังไม่มีธรรมะเนี่ยนะมันก็ยังตกอยู่ภายใต้อำนาจของอของเทวดานะเพราะความเชื่อแบบนั้น อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชาวพุทธเราควรจะรู้นะว่ามนุษย์ชาวชาวพุทธ เ, เราก็ไม่ปฏิเสธนะเรื่องเทวดาแต่เราเห็นว่าเทวดานี่ก็เป็นเพียงแค่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อลมะตาสงสารไม่ได้อยู่เหนือเราเลยนะ<ม>สิ่งที่ทาให้มนุษย์เราเนี่ยนะหรือชีวิตใดก็ตามเนี่ยหรือสัตว์ตนใดก็ตามเนี่ยจะสูงหรือต่ําเนี่ยนะไม่ใช่อยู่ที่ภพภูมินะแต่อยู่ที่ว่าทําความดีหรือเปล่า แม้ภูมิมนุษย์เนี่ยจะต่ำกว่าภูมิเทวดานะแต่ว่าถ้ามนุษย์เราทําความดีนะเข้าถึงธรรมเห็นธรรมเนี่ยนะก็สามารถจะอยู่สูงอยู่เหนือเทวดาได้จริงๆเนี่ยพูดว่าไอภูมิเทวดาสูงกับภูมิมนุษย์นี่มันก็ยังไม่ถูกทีเดียวนะเพราะว่าอมีการเปรียบเทียบว่ามนุษย์เราเนี่ยนะถ้าเทียบกับเทวดาชั้นดาวดึงแล้วเนี่ยมนุษย์เราได้เปรียบกว่า สามเรื่องนะหนึ่งมีความกระหารมากกว่านะสองมีสติมากกว่าแล้วก็สามสา ม, มารถประพฤติพรมจรรันได้ดีกว่านะนเทวดานี่ถึงแม้ว่าจะอยู่เหมือนว่าอยู่บนสวรรค์ชั้นสูงเสพอาหารทิพมีรูปทิพนะแต่ว่าก็ยังด้อยกว่ามนุษย์ในเรื่องของศักยภาพในการปฏิบัติธรรมมนุษย์เรานี่สา ม, มารถจะ ปฏิบัติตามหลักอริยมงยงแปดได้ได้ผลกว่าได้ดีกว่านะเพราะอะไรนะเพราะว่าการที่เราได้อยู่มาเกิดอยู่ในภูมนุษย์เนี่ยมันได้เห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายได้อย่างชัดเจนนะเห็นความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์เห็นความไม่เที่ยงของชีวิตเห็นความไม่เที่ยงของสังขารเราเห็นว่า ร่างกายที่มันสวยงามเนี่ยมันก็มีความน่าเกลียดไม่สวยงามเนี่ยซ้อนอยู่นะรูปร่างใครก็ตามที่สวยงามเนี่ยนะนมันก็มีนะความไม่สวยอยู่นะอย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่จจ เ, เนี่ยอติตปปจเวกนะนะถ้าเราไม่อาบน้ำเนี่ยมันก็เหม็นนะถ้าเราไม่ดูแลร่างกายนะมันก็จะไม่สะอาดนะอาหารที่เรากินเนี่ยอร่อยแค่ไหนพอมันอยู่ในท้องเรามันก็กลายเป็นเป็นอุจจเนะ ถึงแม้มันยังไม่เป็นอุจจาระแค่อยู่ในปากเราเนี่ยนะอาหารที่เรากินเนี่ยอร่อยแค่ไหนพอมันอยู่ในปากเราเคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวนะพอเราคายออกมานะถามอ้อยถ้าให้กินให้เเคี้ยวให้กลับไปกินใหม่เนี่ยนะเราจะกินไหวไหมแม้ว่าจะเป็นไก่ย่างแม้ว่าจะเป็นหูฉลามแม้ว่าจะเป็นข้าวผัดเนี่ยเคี้ยวอยู่ในปากนี่อร่อยนะตอนที่มันอยู่ในจานเนี่ยมันน่ากิน แต่พออยู่ในป่าแล้วเนี่ยนะถ้าคายออกมาเนี่ยมันส่วนใหญ่กินไม่ลงนะเพราะว่ามันมันไม่งามแล้วมันไม่สวยแล้วอันนี้มันก็สอนธรรมะได้เป็นอย่างดีนะซึ่งมนุษย์เราเนี่ยนะอยู่ในสถานะอยู่ในโอกาสที่จะได้ได้เรียนรู้นะให้เห็นว่ามันไม่มีอะไรที่น่ายึดถือเพราะไอ้ที่เรียกว่าสวยงามเนี่ยจริงมันก็เจอเือปนไปด้วยโทษไม่สวยงาม ขณะที่เทวดาเนี่ยนะก็ดูเหมือนว่าอาหารทิพทรูปทิพนี่วั น, นะทิพนี่ยทุกอย่างดูเรียบร้อยนยไม่มีอะไรที่ไม่สวยงามถ้าเปรียบสมัยนี้ก็เหมือนกับห้างสรรพสินเหมือนกับโรงแรมระดับหกดาวเนี่ยทุกอย่างนี่สวยไปหมดเลยนะไม่มีแม้กระทั่งฝุ่นนะเกาะตามโต๊ะตามเก้าอี้ไอ้อยู่ในสิ่งลอบแบบนั้นเนี่ยมันทําให้เกิดความหลงนะ มันมองไม่เห็นความไม่เที่ยงมันมองไม่เห็นทุกนะเพราะว่าเห็นแต่ว่าทุกอย่างนี้สวยทุกอย่างล้วนแต่เป็นสุขก็ทําให้เกิดความยึดติดถือมัน่นมันหลงเข้าไปใหญ่มันยึดเข้าไปใหญ่ฉะั้นเทวดาเนี่ยนะจึงอยู่ในสภาพที่อยู่ในภูมิที่โอกาสที่เข้าถึงธรรมนะทําได้ยากโอกาสที่จะปฏิบัติตามอริยมรรยองแปดนี่ทําได้ยากแต่มนุษย์เราเนี่ยนะมีโอกาสได้ดีกว่าเพราะนี่นที่เป็นข้อได้เปรียบของมนุษย์นะซึ่งเอ่อ คนส่วนให ญ, ญ่ไม่ค่อยได้ตระหนักแล้วก็ จ, จะไม่ได้อาจจะนึกไม่ถึงเลยนะว่าเวลาเทวดาเนี่ยจะจุดติจุติแปลว่าดับนะไม่ได้เกิดนะคนที่ชื่อจุดติแปลว่าดับนะไม่ว่าเกิดนะเวลาเทวดาจะจุดติเนี่ยเขาจะอวยพรกันว่าขอให้มาเกิดไปมาในโลกมนุษย์นะนะเขา อ, อวยพรกันอย่างนี้นะเพราะว่าเขาถือว่ามนุษย์เนี่ยโลกมนุษย์เป็นสุคติของเทวดาไม่เหมือนกับมนุษย์เรานะเวลาจะตายขอให้ไปเกิดเป็นเทวดาขอให้ไปเกิดในสวรรค์ะนะนี่ต่างกันนะกลับหัวกลับหาง เทวดาเขารู้ว่าโลกมนุษย์เนี่ยมันเป็นภูมิที่เหมาะกับการที่จะเห็นธรรมบรรลุธรรมแล้วก็เป็นอิสระจากทุกข์นะพระพุทธเจา้าเนี่ยไม่สามารถจะบังเกิดขึ้นได้ในในภพภูมิที่เรียกว่าเป็นสวรรค์นะเกิดได้แต่ในโลกมนุษย์เพราะว่าในในโลกมนุษย์เนี่ยมันมีทุกข์มันมีความไม่เที่ยงแสดงตัวให้เห็นซึ่งจะทาให้เข้าใจเข้าถึงเรื่องอนัตตาแต่ทั้งสูตก็คือทั้งหมดเนี่ยมันก็ สิ่งที่มาคือการที่เห็นธรรมนะเห็นธรรมนะแล้วก็เห็นธรรมเนี่ยมันจะเห็นได้ก็ด้วยการที่กลับมาดูการและใจนะไม่ใช่มองไปข้างนอกนะไปเห็นศบตาเทวดาไปเห็นหรือศบตาเทวรูปเนี่ยก็มันไม่ช่วยทําให้เราพ้นทุกข์ไดนะ้อาจจะได้รับพรพิเศษนะจากจากเทวดาที่สถิตอยู่ในเทวรูปนะั้นแต่มันก็ไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งอันกเกษมได้นะ พอถึงที่สุดแล้วคนเราเนี่ยจะสุขหรือทุกข์เนี่ยก็อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่การกระทําของเราทั้งกายทั้งวาจาแล้วก็ทั้งใจการที่จะไปพึ่งสิ่งศักดิก์สิทธิ์ว่าจะมาช่วยดลบันดาลให้เรามีความสุขความเจริญเนี่ยอันนั้นไม่ใช่วิสัยของชาวพูดเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เป็นวิถีที่จะประเสริฐเพราะว่าวิธีประเสริฐคือการพึ่งตนพระเจ้ตาตรัว่าเนี่ยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะแต่ว่า ตนจะเป็นที่พึ่งแห่งตนได้ก็ต้องฝึกตนนะพุทธภาสิตที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยมันไม่ได้จบแค่นั้นนะยังมีต่อว่าบุคคลที่นะฝึกตนได้เนี่ยย่อมได้ที่พึ่งที่แสนยากนะหมายความว่าแค่อยู่เฉยๆเนี่ยนะตนม่นเป็นที่พึ่งไม่ได้หรอกของตัวเองอะ่ะมันต้องฝึกนะฝึกด้วยศีลฝึกด้วยสมาธิฝึกด้วยปัญญาก็คือตายศึกขานั่นแหละ หรือว่าใช้อเลียมากมีองแปดเนี่ยมันจึงจะทำให้เราเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงและที่เป็นมีตนเป็นที่พึ่งได้ก็เพราะเข้าถึงธรรมเห็นธรรมนั่นเองนะามนี้ก็พูดกับเท่านี้นะเอากับระ